บทคาถาโฟที่บาท บุลภารัตมะมิงพระพุทธกุณางบุรภารัตมะมิพระธรรมเมตตังบุระพารัตมะมิงพระสังฆานังทุกขโรคขปยังวิวัณไชเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคราะอสเนียจันไรวิวัณไชเยสัพพธนางสัพพลาภา พระวันตุเมรักขันโตสุรักขันโตอาคเนรัสมิงพระพุทธคุณังอาคเนรัสมิงพระธรรมเมตตังอาคเนรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรกภัยังวิวัตรใจเยสพะทุกสกพะโสสพะโรคสปะภัยสพะคร้อเสนียดจันไรวิวัตชัย เยสาผะท่านังสาพะลาภังพระวันตูเมตระคันโตสุระคันโตทักสินรัศมิงพระพุทธกุณางทักสินรัศมิงพระธรรมเมตังทักสินรัศมิงพสร้างขานังทุกขโรขปพยังวิวันใจเยสาผะทุกสาผะโศกสาพะโรคสาผะภัยสาผะคราะ เนอาจาันไรวิวันชัยเยสสะพะทนางสะพะลาพังขวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูหอรดีรัสเมิงพระพุทธคุณนางหรดีรัสเมิงพระธรรมเมตตางหรดีรัสเมิงพระสังขานางทุกขโรกขพยังวิวันชัยเยสสะพทุกสะพะโกสะพะโร สัพพะไพสัพพะครอสเนียจันไลวิวันใจเยสัพพะนางสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูปัดจิมรสเมงพระพุทธกุณางปัดจิมรสเมงพระธรรมเมตตังปัดจิมรสเมงพระสังฆานางังทุกขโรขะพยังวิวันใจเยสัพพทุก สัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพภครอสเนียจันไรวิวัรชัยเยสัพพธนางสัพภลาพังพาวันตุเมระคันตูสุระคันตูพยาประสมิงพระพุตตะกูนางพยาประสมิงพระธรรมเมตตางพยาประสมิงพระสังฆานางทุกขโรคขปยังวิวัรณใจ เยสะพะทุกสะพะโสสะพะโรคสะพะภัยสะพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสะพะทนางสะพะลาพังพะวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูอุดรรัศมิงพระพุทธคุนางอุดรรัศมิงพระธรรมเมตตางอุดรรัศมิงพระสังขานางทุกขโรกขพยังวิ วินชัยเยสะพะทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสะพะครอ้อเสเนียดจันไรวิวัรณชัยเยสะพะทะนางสะพะลาภังระวันตุเมรักขันตัวสุรักขันตอนนัอิสานรัเสมมเมงพระพุทธกุนนางอิสานระเสเมงพระธรรมเมตตังอิสานระเสเมงพระสังฆานางังทุกขโรขพ ยังวิวันชัยเยสะพะทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสะพะครอ้อเสนียบจันไรวิวันชัยเยสะพะทานางสะพะลาพังพวันตุเมรักขันโตสุราคขันโตอากาศราสมิงพระพุทธกุณางอากาศราสมิงพระธรรมเมตตางอากาศราสมิงพระสังฆานางทุกขโร กับพยังวิวันชัยเยสะพะทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสะพเคล้หเสนียดจันไรวิวันชัยเยสะพะธนังสะพะลาภังพรวันตุเมรักขันตัวสุรักขันตัวปัตเวราสเมงพระพุทธคุณางปัตเวราสเมงพระธรรมเมตตังปัตเวราสเมงพระสังขานังตุกะ คารุกัพยังวิวันชัยเยสสะพทุกสัพโสสัพโรคสัพภัยสัพครอสสเสนียจันไรวิวันชัยเยสปปะะสปปะพธาณังสัพพลาภังพวันตุเมรักขันโตุรักขันโต